การเดินของคณะธรรมญาติในวันนี้ถ้าจะให้ดาวนี่ก็ต้องให้ห้าดาวเลยนะเห็นด้วยไหมพูดในแง่ของปริมาณ น, นะการเดินของเราในวันนี้นี่ก็เรียกว่าธรรมราสติตินะของการเดินธรรมญาติที่ผ่านมาคือเราเดินได้ ระยะทางที่ไกลที่สุดนะยี่สิบสามกิโลเมตรปีที่แลกก็เฉียดๆนะปีที่แล้วหกธนะันวาก็ประมาณใกล้ๆแต่ว่าอาจจะประมาณย2ิบสองหรือย3ิบสามไม่แน่เพราะว่าเป็นการคาดดาวประเมินเอาเนื่องจากเป็นเส้นทางที่ ไม่ได้มีการสำรวจมา ก, ก่อนนะคือเดินไปแล้วก็ถามก็งอไปเรื่อยๆง อ, งงอไปเรื่อยๆแต่วันนี้เนี่ยเราเดินได้ไกลามากนะไกลที่สุดเท่าที่เคยเดินกันมาในแง่คุณภาพเนี่ยก็เห็นได้เลยนะจากต้นขบวนเนี่ยว่า เราเดินมาได้อย่างพร้อมเพลียงเกากลุ่มกันมาตลอดไม่ค่อยอแตกแถวหรือก็เจอกะเจิเท่าไหร่นก็แคเรยกว่าประคับประคองกันหมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆแล้วก็สังเกตเห็นรอยยิ้มพวกเราไม่ใช่เฉพาะเวลา พักหรือว่าเวลาได้กินในติมเท่านั้นนะแต่เห็นรอยยิ้เ ร, า, า, ร า, าพวกเราใครที่กำลังเดินนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากไม่ใช่ง่ายเลยนะในการที่จะเดินเลี้ยทางนขนาดนี้มีเพื่อน วัดนะวัดเก้านับเก้าที่เราเดินทั้งหมดเนี่ยวันนี้เนี่ยประมาณสี่หมืนเก้าพันกว่าเก้านั่คือแปดเป็นระยะทางมันก็ประมาณยี่บสี่กิโลเมตรเศษๆนะอันนี้ก็คงรวมถึงช่วงที่เดินไปเดินมาในวัดด้วยแล้วก็ช่วงที่ เราพักนะเราก็อาจจะเดินไปเข้าห้องน้ำอะไรต่างนะแต่ก็ไม่น้อยนะเกือบห้าหมืนเก้าเชื่อเลยนะว่าหลายคนในที่นี้เอาจะส่วนใหญ่เลยเนะี่ยไม่เคยเดินจำนินเก้ามากขนาดนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ได้แต่คงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเพราะว่าธรรมยาตา ย, ยังจะมีอีกนะ ตอนที่เตรียมการในเรื่องการเตรียมเรื่องเส้นทางสำหรับการเดินธรรมญาติตาในปีนี้ก็มีความพิหมือนกันนะว่าเราจะเดินกันไหวไหมเดินเพราะในช่วงบ่ายเดินต้อง14กิโล ก็เป็นรยะทางที่ไกลนะถ้าเราเดินกันชั่วโมงละ3กิโลเนี่ยมันก็ใช้เวลาเกือบ5้าชั่วโมงแต่พวกเราที่เป็นผู้จัดนะจะประสบการณ์ที่ผ่านการจัดมาหลายปีเนี่ยเชื่อว่าพวกเราทบได้โดยเพราะทาริเลต้น มาเดินตั้งแต่วันแรกๆเนี่ยยี่บสามกิโลไม่เกินความสามารถหรือจะมากกว่านี้ก็ออยังได้แล้วพวกเราก็ทําทได้จริงๆนะหลายคนยังรู้สึกว่ามากกว่านี้ก็ออยังได้มาเห็นเด็กๆหลายคนนะเด็กหลายคนก็เดินนะเดินเท่าป่ายานะ เดินันตลอดทางเลยก็พยายามซับไซด์ว่าแอบขึ้นรถบ้างหรือเปล่าก็ไม่ได้ขึ้นรถนะอังคารหรือว่ามีนาหรือว่าคนอื่นอื่นอีกนุ้ยหรือว่าอันดาอันนี้ก็เดินมานะเดินมาถึงก็ถามมีนาว่าเป็นไงไหวไหั้ยได้คำตอบว่าเฉย แปล ว, ว่ามากกวนี้ก็ยังได้ไนงะอันนี้ก็เป็นเพราะว่าพวกเราเนี่ยมีความตั้งใจนะความตั้งใจนั้นแปลกมาเป็นความเพียรพยายามอย่างที่ได้บอกไว้เมืม่อตอนเช้าว่าการเดินในวันนี้ของเราเนี่ยมันถ้าเปรียบกับการออกศึกเนี่ยนะ ต้องเอาวิริยะเป็นทับหน้าเอาสติปัญญาเป็นทับหลังหรือทับหลวงแล้วก็วิริยะของพวกเราแต่ละคนนะก็เป็นทับหน้าที่พึ่งพาได้ความเพียรพยายามส่วนหนึ่งนะมาจากความตั้งใจอันแนว่วแน่พวกเราอีกส่วนหนึ่งก็ จากกำลังใจนะที่ให้แก่กันและกันถ้าเราเดินคนเดียวก็คงยากนะป่านนี้ยังมาไม่ถึงเลยนะแต่พอเราเดินกันมาหลายคนแล้วก็ต่างให้กำลังใจซึ่ง ก, กันและกันเรียกว่าค่อยๆค่อยๆจุดค่อยๆดึงกันมา อันนี้ก็เป็นประโยชน์ของกาเรียนนมิตรนะกาเรียนนมิตรเนี่ยจะช่วยทำให้สิ่งยากทำให้สำเร็จได้อันนี้ก็เป็นเชื่อว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ที่ตาตึง หรือประทับใจเราไปนานถึงแม้ว่าในวันข้างหน้าเนี่ยเราจะเจออุปสรรคเจอภารกิจที่หนักกว่านี้ยิ่งใหญ่กว่านี้ภารกิจในวันนี้อาจจะดูเล็กน้อยจิบจ้อยไปเลยแต่ว่าไอ้ความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้น จากการเดินในวันนี้มันคงจะมีความหมายในจิตใจของเราไปนานที่จริงการเดินในวันนี้นมันถ้าเราพิจารณาดูนะมันมันบอกอะไรมากมายเกี่ยวกับตัวเราเอง ทำให้เราเห็นศั ก, กยภาพที่เราอาจจะไม่นึดว่าเรามีอันนี้แหละที่เรียกว่าอันซีนนะอันซีนเนี่ยคือว่าเขามักจะใช้หมายถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่เคยเห็นไปดูอันซีนไทยแลนด์ไปดูสถานที่ที่ไม่เคยเห็นอันซีนที่ว่านี่เคยแค่ต้ออยากไปนะแลว บางแห่งเราก็ได้ผ่านพบมาแล้วแต่ว่าอันซีนนี่มันมีค่ามากกว่านะคืออันซีนที่อยู่ในตัวเราตรงนี้เนี่ยมันมีความหมายมากกว่าและเชื่อว่าอันซีนบางอย่างนะหรือหลายอย่างเนี่ยเราก็ได้เห็น จากตัวเราในวันนี้เน่จะได้พบว่าโอ้ร่างกายเรานี่ก็ <c oughs> ก็ใช้ได้ทีเดียวแต่ส่วนใจนี่ก็กล้าแกรง่งสิ่งที่ยากหากว่าตั้งใจมุ่ง ม, มั่นเนี่ยก็สามารถทำให้สำเร็จได้ ที่ยิงอัซินที่มันลึกไปกว่า น, นั้นนะก็อาจจะผุดโผล่ให้เราเห็นได้เห็นได้บ้างหรือบางทีอาจจะเห็นได้ชัดเจนเลยเมื่อเช้านี้ก็ได้พูดถึงบางประโยคที่เราได้สาธยายตอนทาวัดเช้า ที่บอกว่าทุกข์ขับเปรตตาเราทั้งหลายเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วที่ยริงก่อนนั้นมีตัวอย่างหนึ่งนะทุกข์ขอตินนาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วเนี่งตอนรอดที่เดินนี่คงจะเห็นเลยนะความทุกข์นี่มันยั่งเข้าไปในตัวเราเห็นได้ชัดเลยตอนนี้ก็อาจจะยังเห็นอยู่นะความปวดความเมื่อยที่ขา ให้ทุกครั้งนี่มันแสดงให้เห็นนะจากร่างกายของเราโดยเฉพาะที่แขนบ้างที่ขาบ้างที่ไหล่บ้างที่เท้าบ้าง<ม>เขากำลัแงแสดงสัจะทําให้เราเห็นนะว่าสังขารร่างกายนี้เป็นทุกข์แล้วหลังที่เราเดินเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงช่วงโมงสุดท้ายนี่ คงอะไรคงเป็นเหมือนอาต ม, มานะก็คือว่าท่ามันเริ่มแข็งแข็งเข้าใจเลยเขาบอกขาแข็งเนี่ยเป็นยังไงแล้วมันก็ทําท่าจะไม่ยอมเชื่อฟังเราซะด้วยบอให้มันขยับมันก็ไม่เคยอยากขยับเลยเห็นชัดเลยนะอนัตตานี่นะไม่ใช่ของเราเนี่ย เานี่ไม่ใช่ของเรานะเท้าไม่ใช่ของเราสั่งแล้วเขาไม่เชื่อก็ได้แต่ดีที่เขาเขาร่วมมือด้วยนะเขาก็เลยพาเรามาถึงนี่ให้เท้าเราขาเรามาแสดงอนาตัยเห็นเลยนะไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในอำนาจที่เราจะบงการได้แต่ว่าขอร้องได้นะและจะเข้าร่วมมือนะก็ เก็พาเร า, ามาได้แล้วเท้าเราขาเราก็แสดงอันนี้จังให้เห็นนะเมื่อเช้ากับตอนนี้นี่มันต่างกันเยอะเลยคือถ้าไม่เดินด้วยตัวเองนะก็ไม่เห็นเวลาเรานั่งรถเนี่ยนั่งเครื่องบินเนี่ยมันไม่เห็นอันนี้จังทุกอยงอัตะตานี่ จากสังขารของเราสังขารเรานี่ก็แสดงใต้ลักษณะเราเห็นนะนิจังทุกขังนักตาถ้าเราก็เปิดใจนะเรียนรู้หรือมันสังเกตงั้นถ้าเรามันสังเกตเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ว่าทุกฟรฟรีเจ็บฟรีฟปวดฟรีฟ ร, ฟรนะเราก็ได้ เรียนรู้สัจธรรมอันนี้ก็เป็นอันเซนอันนึงนะที่ไม่ใช่เห็นกันได้ง่ายง่ายสัจธรรมเพราะไตรักที่เราสอนเมื่อกี้เนี่ยนะเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเนี่ยเมื่อนั้นก็ จากเหนื่อยหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกที่ตหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานเลยเป็นทรรมหมดจบในการที่ได้เห็นใจรักอ น, นิจจังทุกขาราตานี่มันมีความหมายมากทีเดียวมีคุณค่ามากที่จะทำให้เราได้เข้าถึงพระนิพพานและการที่จะเห็น อย่างชัดเจนเนี่ยมันก็ต้องเจอทุกข์ะนะเมื่อเจอทุกข์แล้วเราลองเปิดใจใคร่ครวรดูมันก็ทำให้เราได้เข้าใจสัจธรรมนะไดมันจะมีผลในการทำให้ ใจเราเนี่ยปล่อยวางมากขึ้นยึดมั่นน้อยลงที่ตลอดที่เราตลอดเวลาที่เราเดินนะเราจะเห็นอนิจจังมากทีเดียวไม่ใช่กับร่างกายของเราเท่านั้นนะแต่กับสิ่งรอบตัวเราเช่นดินฟ้าอากาศบางช่วงแดด ก, ก็ร้อนแต่บางช่วง ก็ครึมบางช่วงลมพัดเย็นสบายสบายสักพักมันหายไปแล้วกำลังเคลิ้นเคลิม อ, อยู่ดีๆเอามันไปไหนละเมื่อเล้ก็ตามที่เรายืนดีนะกับลมที่มันพัดมากระทบเราก็จะรู้สึกผิดหวังน้อยเมื่อ มันกลายเป็นอากาศอา้าวบางช่วงเดินทางนี่ก็เป็นดินนะคนที่เดินท่าป่านจะรู้เลยนะว่าไอ้ทางดินเนี่ยมันเยี่ยมมากเลย เ, เดินมาสักพักเอ้าเจอลุกลังแล้วเกล็ดปรวดนี่เต็ไมไปหมดนะทิ่มเท้า เป็นฝ่าเท้าในทั้งสองข้างกอที่เรากลังรู้สึกหนุดนีดกบมันอไปเดียวเดียวเป็นทางปูนเดินสบายแต่ทางปูนนั้นก็มีให้เราเหยียบได้ไม่นานเดี๋ยวกับเป็นทางทางลาดยางที่ขรุขระ มีกรวดแหลมแหลมโผล่มาริยบริยับเต็มหมดคือ <c oughs> ถ้าไม่ถอดรองเท้านะก็จะไม่เห็นนะหรือถึงแม้ใส่รองเท้าเนี่ยแต่หรือถึงแม้ถอดรองเท้าแต่ถ้าเกิดนั่งรถเนี่ยก็ไม่เห็นเหมือนกันไม่รู้สึกเวลาเรานั่งรถนั่งรถทัวร์นั่งรถส่วนตัวหรือนั่งเครื่องบินเนี่ยเราจะไม่สังเกตเลยนะ ถึงความไม่เที่ยงนะของสิ่งรอบตัวเช่นดินฟ้าอากาศหรือว่าเส้นทางที่เราย่างเหยียดการเดินธรรมยาติเนี่ยมันคือการพาตัวเองเนี่ยมาอยู่เรียกว่าฝากชีวิตกับธรรมชาติก็ได้สุดแท้แต่ว่าธรรมชาติจะปลาณีหรือไม่มันเป็นการเปิดเปลือยตัวเองก็ได้นะที่ ไม่ก้องมีอะไรมาปิดบังคุ้มกันอย่างเช่นถ้าเราอยู่ในรถรถรถเกง๋งรถทัวร์ติดแอร์มันมีสิ่งคุ้มกันเราที่ธรรมชาติเนี่ยไม่สามารถจะเข้าถึงตัวเราได้แต่ว่ามาบันเดินอย่างนี้เนี่ยมาเป็นการเปิดตัวเข้าสัมผัสกับธรรมชาติแล้วก็ ฝากชีวิตไว้กับธรรมชาติสุดแท้แต่ว่าธรรมชาติจะปราณีหรือไม่เราก็พบว่าธรรมชาติก็ปราณีนะเป็นส่วนใหญ่แต่ถึงแม้ว่าบางช่วงธรรมชาติจะไม่เป็นใจแต่ว่ามันก็สอนทําให้กับเราได้เหมือนกันเช่นสอนเห็นความไม่เที่ยงเวลาเดินไปเดินไปเนี่ยนะเราก็ พอเราพอมีลมพัดสักหน่อยเราเย็นสบายสักพักเดี๋ยวก็ได้สติขึ้นมาว่าเออเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวมันก็หายไปไอความยินดีมันก็ไม่ได้ยินดีนานเพราะรู้ว่าเดี๋ยวมันก็แปรเปลี่ยนไปละเวลาเจอทางสบายเราก็ไม่ได้ยินดีมากเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวมันก็กลายเป็นทางลำบาก ค่ะเดียวกันเมื่อเราเดินทางลำบากเนี่ยบางช่วงจะรู้สึกไม่พอใจขุนเคืองมันแต่สักพักเราก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปความเจอความกวดก็เป็ือนกันนะมันเกิดขึ้นแต่มันก็ไม่เคยเกิดนานสักพักมันก็ผ่านเลยไป ส่วนความเจ็บความปวดความเมื่อยที่เกิดขึ้นเราตอนนี้ด้วยมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันให้เราลองพิจารณาดูนะประสบการ์มันสอนเราประสบการมันเตือนใจเรานะซึ่งถ้าเราเก็บเกี่ยวประสบการเก็บเกี่ยวคำสอนนะบทเรียนนะมันก็ช่วยทำให้ เรามีปัญญาเรามีภูมิคุ้มกันความทุกข์มากขึ้นเพราะว่าปัญญาและสติเหล่านี้แหละนะที่มันจะช่วยทําให้ให้ความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดกับเราเนี่ยมันทุกข์แค่กายนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์เลือกบีภูมิคุ้มใจภูมิคุ้มตาจิตใจหรือภูมิคุ้มใจนะแต่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไข่คน ในขณะนี้ก็ตามนะแต่ว่าการที่เราได้ผ่านความยากลาบากแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการเติมวัคซีนให้กับจิตใจเราเหมือนกันนะมันเปภูมิคุ้ม ก, กันแบบหนึ่งก็คือว่าพอเราได้เจอสักครั้งสองครั้งสามครั้งเนี่ยเราจะสะทกสะท้านกับ ความทุกข์แบบนี้น้อยลงนะเราจะวันไหวกับมันน้อยลงเพราะว่าเราเคยมาแล้วเคยมาแล้วหรือเคยทํานองนี้มาแล้วคขาบ่าเคยมาแล้วนี่สําคัญนะเพราะว่ามันทําให้เราไม่สะทกสะท้าหรือวันไหวกับความทุกข์รู้ประสาทที่กําลังเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะเกิดขึ้นคนนี้ไม่เคยเจอจะมีความวิตกกังวล คนที่ประสบความสำเสร็จมาตลอดจะกลัวมากความล้มเหลวแต่คนที่เจอความล้มเหลวมาแล้วคขาไม่เคยกลัวเท่าไหร่มีนักธุรกิจคนนึงเนี่ยแกตอนที่เรียนหนังสือเนี่ยเป็นคนที่เรียนเก่งประสบความสําเร็จในการเรียนแกก็สําเร็จมาหลายเรื่องเมื่อจบแล้วก็ประกอบธุรกิจ แกจะกลัวความล้มเหลวมากแล้วแกก็จะทำธุรกิจชนิดที่อะไรก็ได้ที่มันเสี่ยงน้อยๆชัวร์มากๆเนี่ยเพราะแกกลัวความล้มเหลวมากแต่แม้กันนั้นเนี่ย <c oughs> ก็มีช่วงหนึ่งที่ธุรกิจที่แกทำเนี่ยแกมั่นใจว่าสำเร็จแน่เนี่ยมันพังไม่เป็นท่าโอ้แกสึกแย่มากเลยนะ พ่อไม่เคยเจอความล้มเหลวแบบนี้มาก่อนแต่ก็มีช่วงนึงที่แกได้คิดว่าเ อ, อ๊มันไม่ได้แยกอย่างที่แกคิดนะไอ้ความล้มเหลวเนี่ยทีแรกคิว่าเนี่ยมันจะถ้าล้มเหลวนี่มันก็จะเหมือนกับแผ่นดินเรียว่าโลกแตกแผ่นดินไหวหรือฟ้าถลม่ม แต่ก ว, ว่ามันไม่เป็นขนาดนั้นก็เลยหายกลัวหายกลัวความล้มเหลวแล้วก่อนหลังจากนั้นนี่แกก็กล้าเสี่ยงมากขึ้นในการทำธุรกิจและสนุกด้วยนะเพราะตะก่อนเนี่ยจะทำแล้วก็กลัวกลัวนั่นกลัวนี่กลัวล้มเหลือเป็นหลักแต่ตอนนี้ไม่กลัวแนละ้วเพรารู้ว่ามันไม่ได้ เร็วลายขนาดนะั้นไม่เร็วลยอย่ที่คิดอันนี้ก็เรามีคูามรุ้การความล้มเหลวนะเพราะว่าเจอความล้มเหลวมา ก, ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์เราเนี่ยที่ยากลําบากเนี่ยนะมันมีประโยชน์ต่อไปเจออะไรที่น้องๆกว่า น, นี้หรือว่าหนักกว่า น, นี้เราก็จะไม่วิตกเพราะว่าเราเคยมาแล้ว เคยได้อ่านบทสัมภาษณ์นะของคุณย่าคนหนึ่งนะคนคนเคยไปสัมภาษณ์แล้วก็ทำเป็นรายการโทรทัศน์ชื่อย่ายิ้มย่ายิ้มเนี่ยอายุแปดสิบกว่านะแกไปปลูกผักนะอยู่บนเขาคนเดียวนะ ทั้งเขาเนี่ยมีแกนคนเดียวเนี่ยบนในจังหวัดพิษณุโลกเดิมทีก็มีลูกหลานไปอยู่ด้วยแต่ตอนหลังลูกหลานก็ย้ายเข้าไปเข้าเมืองไปทำงานในกรุงเทพแต่ญาติยิ้มเนี่ยแกชอบแกก็อยู่บนนั้นแหละปลูกข้าวไม่ปลูกแต่ ว, ว่าปลูกผักแล้วก็ปลูกพืชสวนเล็กๆน้อย ถึงวันพระแกก็จะลงมาจากภูเขาแล้วก็มาจำสีนที่วัดเดินนี่ประมาณแปดกิโลได้ไมั้งคนแก่นะหน้าฝนแกก็เดินนะแกไม่เคยขาดเลยวันศีวันพระนะมาจำศีเสร็จนะแกก็วันรุ่งขึ้นแกก็เดินขึ้นเขากลับบ้าน บางบางายโชคดีหน่อยก็มีคนนะมีคนขับรถไปส่งแล้วก็อาจจะบรรทุกข้าวบรรทุกพลิกขึ้นไปด้วยก็มีคนถามกักว่าเนี่ยเดินลงขาไปนิดนะทุกสีเนี่ยเวลาแ9ดเก้ากิโลนี้แกไม่เหนื่อยเลยแก ต, ตอบว่าก็มันเคยแล้วหนา แล้วมีคนถามแล้วพี่ติกรก็ถามว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าฝนตกดักลงมาไม่ได้ไม่มใีใครเอาข้าวขึ้นไปเนี่ยแกทำไงแกก็บอกว่าก็หาเผือกหากรอยหา ม, มันพี่ติกรก็กถามว่าเนี่ยมันไหวรเหร่แ ก, กตอบว่ามันเคยแล้วหนา ที่ก่อนก็ดูแล้วก็ถามว่าเนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยเกิดเจ็บป่วยทํายังไงอยู่คนเดียวอะ่ะแกบอกไม่เคยป่วยเลยนะแต่ถ้าเคยแต่ถ้าป่วยมันก็มันเคยแล้วหนาเหมือนกันคือถามอะไรแกนะแกก็ตอบอย่างเดียวก็มันเคยแล้วหนาแล้วที่แกพูดแกแก็พูดจากใจจริงแล้วก็คือว่าก็เคยเจอมาแล้วทั้งนั้น นันจะไปทุกข์ทำไมนะไอ้คำว่าเคยแล้วหนาเนี่ยนะมันมีประโยชน์นะเะฉั้นถ้าเราถ้าเราเจอไว้ไวบ้างเนี่ยมันจะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันความทุกข์ความยากลำบ า, ากถึงบอกว่าถึงแม้ว่าวันข้างหน้าอย่เราเจออุปสรรคเจอภารกิจเจอปัญหาที่มากกว่า ยิ่งใหญ่กว่าที่เราเจอในวันนี้ระหว่างที่เดิดเนี่ยแต่ประสบการณ์ในวันนี้มันจะทิ้งอะไรบางอย่างเอาไว้นะที่ทําให้เรามีความมั่นใจนะที่จะเผชิญกับมันได้หรือก้าวข้ามมันไปได้หอย่างน้อยก็ไม่วิจตกกลบกับมันไม่กลัวมันแล้ววันนี้เนี่ยก็เราได้ประสบการณ์ดีๆนะ ที่มีประโยชน์อย่าให้เราลองเก็บเกี่ยวหาบทเรียนนะทั้งเกี่ยวกับตัวเองเกี่ยวสิ่งรอบตัวนะมันจะมีคุณค่ามากทีเดียวอ่ะเก็พอสมควรเกยวเวลานะก็ขอติดติดท่านนี้อากาบพระพร้อมกันอามทมาพระบพุโธพระพวา พุทธังพระปรวันตัิวา 那就好。<笑>